Thank mm -hmm. you.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 ก็ปกว่าเดินได้เดินขึ้นเขาได้เทเลนิดเทเลนิดเทเลนิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหนุ่มๆ น, นะคนแข็งแรงเขาก็เดินแซงไปก็ปล่อยเข้าไปรถมันก็ค่อยขึ้นเออตัวเองก็ค่อยเดินเคลื่อนเหมือนกับรถที่ค่อยๆเคลื่อนขึ้นเขาไปความรู้สึกเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีแล้ว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 ไปถึงหมู่บ้านชาวเขาซึ่งมาจุดพักเพลเนี่ยเป็นคนแรกเจ้าหน้าที่ตอนที่เริ่มเดินนี่ก็ถูกทิ้งเรียกว่าลังท้ายนะยิ่งตอนเริ่มเดินขึ้นเขานี่ก็อยู่ท้ายสุดเลยก็แปลกใจมากเอยเราก็เดินชา้าแต่ทำไมมันถึงเร็วหรือถึงก่อนใครแล้วก็เห็นเลยนะคนที่เดินเร็วเนี่ยในสุดกลับถึงชา้า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 จุดหมายที่เคยเดินขึ้นเขาเนี่ยคือศ ร, รีปาทะหรือศลีปาทะซึ่งเป็นที่ที่คนลังกาเข า, านับถือว่าเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวพุทธของชาวคริสต์ของชาวาฮินดูหรือแม้กระทั่งกับของชาวมุสลิมแล้วเขาจะมีประเพณีนะเดินขึ้นเขาศรีปาทะในช่วงประมาณต้นปี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 ก็เดินอย่างเรียกว่าไม่ท้อถอยนะทําความเพียรอย่างยิ่งยวดแต่เนื่องจากเป็นคนที่เท้าเนี่ยนะหนังเท้านิ่ อ, อนเพราะว่าเป็นพวกสุขุมสุุมาลชาติสุขุมาราลชาตินี่หนังจะบางนะเดินจงกรมก็เดินถอดงเท้าสมัยก่อนผ้าก็ไม่มีรองเท้าหรอกไอรองเท้าเพิ่งมามีช่วงไม่กี่สิบปีหลังนี่เอง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 ทำความเป็นให้พอดีเนี่ยไม่ได้เรียกว่านะทางสายกลางนะทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องของสัมมาเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้อง ãy? ถ้าหากว่าส่วนความพอดีมันเป็นเรื่องของไม่มากไม่น้อยคนที่สูงพอดีคือคนที่ไม่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่เตีย้ยนะความพอดีมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของปริมาณ enti? ไม่มากไม่น้อยส่วนทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องของคุณภาพนะอันนี้พูดแบบ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 คือเมื่อทําด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะเห็นธรรมเนี่ยนะก็เป็นไปได้อันนี้ ค, คล้ายๆกับเรื่องที่ตรงข้ามกับพระโสนะนะก็คือเรื่องของพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยที่จริงก็ ค, คล้ายๆกันในบางส่วนนะก็คือพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นโสดาบันนะก่อนที่พระพเจ้าปณิพนธ์คราวนี้หลังจากที่พระเจ้าปริพนธ์นเนี่ยก็มีการตกลงว่าจะทําสังเครานาประมวลคําสอน ของพุทธเจ้าทั้งธรรมและวิ น, นัยก็ตกลงกันว่าจะมีพระมาร่วมสังคนาเนี่ยาร้0รูปและต้องเป็นพระอรหันต์พระมหากัส ป, ปะท่านก็เป็นเจ้าเป็นหัวเรี่ยหัวแรงในการจัดสังเคนาท่านก็กำหนดพระอรหันต์49รรูปเหลือไว้อีกรูปหนึ่งนะสำหรับพระอนนท์ที่ต้องเหลือสำหรับพระอนนท์ก็เพราะท่านเนี่ยเป็นอุปถางที่เป็นพระหูสูตร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 เวลาทําความเพียรก็ให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงเป้าหมายว่าจะต้องเอาให้ได้ยิ่งถ้าจะรีบทําให้ถึงจุดหมายไวๆเนี่ยมีเดดไลน์นะมีเป้าหมายต้องไปถึงวันนี้วันนั้นเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ยิ่งกลับกลายเป็นการเนิร์นช้านะต้องวางจุดหมายแล้วก็ทําสบายๆให้ถือคติว่าเนี่ยเออทําช้าจะถึงเร็วนะ